พอเรากำหนดไปทางอสุภะนี้สุภะมันดับพึบเดียวนะมันดับเร็วที่สุดเพราะความชำนาญทางอสุภามาแล้วพอกำหนดอสุภามันเป็นกองกระดูกไปหมด ท, ทันทีต้องกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่สับเปลี่ยนกันอยู่นั้นนี่ก็เป็นเวลานา น, านเพราะหนทางไม่เคยเดิน